และต่อไปนะผู้ที่มีความเห็นผิดในพระัตนตรัยเนี่ยในวัตถุทั้ง3าประการคนที่เข้าใจผิดนั่นเองในพระัตนตรัยก็ชื่อว่าเป็นความเศร้าหมองอย่างหนึ่งเช่นความเข้าใจผิดในพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นความเศร้าหมองในพระัตนตรัยด้วยและก็ไม่โทษช่วงไม่กว้างขวางก็เหมือนกับแสงสว่างใช่ไหมแสงแสงสว่างนี่โทษช่วงกว้างขวางก็คือสามารถส่องให้เห็นอะไรหมด ถ้าหากว่าเราขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระัตนตรายและก็ขาดความโทษช่วงแล้วตอนหลังคนที่เศร้ามองบ่อยๆแปลเป็นอื่นได้นั่นแหละสามารถที่จะเลิกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ได้อย่างยกตัวอย่างพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลชื่อว่าท่านสุนัขะตะลิชวีสุนขะะัขตาฤชวีบุตรนั้น เป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากและก็บางช่วงก็เป็นอุปถาม ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้สุนคขตาลิชวีนั้นก็ถามบริกรรมเพื่อที่จะเจริญที่พระจักสุยานพระองค์ก็สอนเรื่องที่พระจักขุญานให้แล้วท่านก็ได้ตาทิพย์เพราะได้ตาทิพย์ก็มองเห็นสวนมองเห็นเทวดามองเห็นอะไรต่างๆท่านก็อยากจะได้หูทิพย์ ก็เลยไปถามข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้หูทิพย์พระผู้มีพระภาคไม่สอนให้สุนัขตาิชวีเนี่ยรู้สึกเอ๊พระพุทธเจ้านี่เป็นยังไงเรศยาหรือยังไงกลัวเราจะได้ดีกว่าหรือยังไงไม่สอนให้บอกว่าพระพุทธเจ้าจะไม่สอนแก่ผู้ที่ไม่มีอุปนิสัยนั่นแหละเพราะว่าอุปนิสัยของสุนัขตาิชวีไม่มีพอที่จะได้หูทิพย์พระองค์ก็ไม่สอนตอนหลังเนี่ยสุนัขตาิชวีกโกรธพระพุทธเจ้ามากพอโกรธมากก็ศึกไป แล้วก็สุนัขตาฤชวีเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปเห็นนักบวชแก้ผ้าอเจโลกเนี่ยก็ยังนึกว่าสำคัญว่าเป็นพระอารหันด้วยเพราะความไม่เข้าใจในพระธรรมว่าอารหันเนี่ยคืออะไรอะพออย่างนั้นเข้าตอนหลังก็ถึงกับเป็นคนที่ด่าพระพุทธเจ้าในเมืองไผ่สาลีข้อความในมหาสีหนาสูตรมัชิมนิกายมูลปัญ น, นาสข้อ159 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะราวป่าด้านตะวันตกนอกพระนครเขตอนอกเขตพระนครไผ่สาลีก็โดยสมัยนั้นแหลสุนคขะตะลิชวีบุตรคือเป็นเชื้อเจ้านะเป็นลูกของเจ้าลิชวีผู้หลีกไปแล้วจากธรรมวินายนี้ไม่นานก็คือศึกไปได้กล่าววาจาในบริษัทณนะเมืองไผ่าลีอย่างนี้ว่า พอศึกไปแล้วนี่ก็ประโคมข่าวทันทีว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญานณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีไปถึงเนี่ยประกาศเช่งเลยว่าพระพุทธเจ้านะไม่มีมัสมีผลมีนิพพานไม่มีวิปัสสนาญาณอะไรสักอย่างเดียวเกด่าอย่างนั้นเลย น, นะเขาเรียกว่าอริยมัชไม่มีหรอก พระสมณะโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองอันพระสมณะโคดมเนี่ยคิดเอาเองนะธรรมะเนี่ยไม่ได้ไปเรียนที่ไหนมาหรอกนั่นแหละแล้วก็แต่ว่ามีปัญญาการค้นคิดเออแกก็ฉลาดนะแต่คิดเอาอ่ะแต่ก็ฉลาดคิดเหมือนกันเสร็จแล้วก็แจ่มแจ้งได้เองอรู้เองคิดเองเออเองเออเอง แต่ว่าไอคุณธรรมสูงสูงนี่ไม่มีหรอกแต่พิเศษว่าแต่ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อประโยชน์อะไรธรรมนั้นย่อมดิ่งตปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้ทำตามแต่เป็นพิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าธรรมะที่ท่านสอนมานะใครปฏิบัติได้มรรคผลจริงๆนั่นแหละก็คือเขาเนี่ยเอาไปประโคมข่าวกับพระอริยะทั้งหลายแหละคือในเมืองภาาัาลีเนี่ยพระอริยะเยอะ ทนี้จะไปบอกว่าพระสมณะโคโดมเนี่ยอูย้ช่วยอย่างนั้นทางกายช่วอย่างนี้วาจาช่วยอย่างนี้าานคิดช่วยอย่างนั้นที่เป็นอ่าล่องอกุศลกรรมบทหรือเรื่องอกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีแต่ว่าเอ๊ะถ้าจะว่าอย่างนั้นทุกคนเขาก็บอกเออพระพุทธเจ้าก็ทําตัวดีกันหมดอาจจะเอาเรื่องนี้ไปกุกข่าวก็ไม่ได้เสร็จแล้วก็จะเอานี่แหละเรื่องมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าแหละไม่มีและ<ส>แล้วก็ คนที่ฟังส่วนใหญ่เป็นอริยะสาวกใช่ไหมพอเป็นอริยะสาวกจะบอกว่าธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยปฏิบัติตามไม่ได้ผลเดี๋ยวอริยะสาวกทั้งหลายจะบอกไม่ได้ผลยังไงฉันเป็นพระโสดาบันฉันเป็นพระสกะทาคามีแกก็เลยเท่ากับยอมรับว่าแต่ว่าธรรมะที่สอนมาเนี่ยปฏิบัติแล้วได้ผลจริงๆเขาว่ากันครั้งนั้นแหละท่านพระสารีบุตรเวลาเช้านุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปในเมืองไพเวสาลีเพื่อบิณฑบาต ได้สดับข่าวว่าสุนขคตะลิชวิบุตรได้กล่าววาจา์ในบริษัทณเมืองเวสาลีอย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญานณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมทรงแสดงธรรมะที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองแต่ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ใดธรรมะนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อความสิ้นทุกข โดยชอบแห่งบุคคลผู้ทําตามลําดับนั้นท่านพระสารีบุตรก็เที่ยวไปในเมืองเวสาลีเพื่อบินธบาตกลับจากบินธบาตในเวลาหลังพัดพระสารีบุตรไม่แก้ข่าวอะไรสักอย่างเดียวนะก็ไม่แก้ว่าสุนขัขตะลิชวีพูดผิดผูด้ถูกไม่ตอบสักคําเดียวพระสารีบุตรนี่ท่านคิดว่า ด้วยกรุณาของท่านนะสุนัขตาลิชวีเนี่ยด่าพระพุทธเจ้าขนาดนี้ก็บะเออก็บาปเต็มทีแล้วอกุศลเนี่ยก็เต็มหนักอยู่แล้วถ้าหากว่าท่านจะไปชี้แจงอย่างใดยอย่างหนึ่งกล่าวอย่างใดยอย่างหนึ่งสุนัขตาลิชชวีจะต้องโกรธมากขึ้นเท่ากับโกรธอริยะพระารหันอีกสององค์โกรธพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าท่านก็ส ง, ส, งสารท่านก็เลยไม่พูดอะไรเขาจะโกรธมากขึ้นก็ไม่ชี้แจงทั้งนั้น ก็ท่านก็รู้นะว่าส่วนใหญ่คนที่ฟังก็เป็นพระอริยะอยู่แล้วลำดับนั้นท่านภาษาริบุตรก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนัขตลิชวีบุตรเป็นผู้หลีกไปแล้วจากธรรมวินัยนี้ไม่นานได้กล่าววาจาในบริษัทณเมืองเวสาลีว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์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 เป็นโมฆะบุรุษนะคำว่าโมฆะบุรุษก็คือบุรุษเปล่าผู้ว่างจากมักว่างจากผลว่างจากคุณธรรมว่างจากคุณวิเศษและเป็นผู้ที่ไม่มีอุปนิสัยต่อมัคผลนิพพานด้วยเห็มนะโมฆะบุรุษนี้เป็นคนมักโกรธและวาจาที่เธอกล่าวนั้นก็เพราะโกรธนะก็คือเพราะโกรธพระพุทธเจ้าที่ไม่สอนเรื่องหูทิพย์อะ ดูก่อสารีบุตรสุนขคตะนั้นเป็นโมฆะบุรุษคิดว่าเราจะพูดติเตียนแต่กล่าวสารเสริญคุณของตถาคตที่จริงสุนขคตานี้มุ่งจะดานะแต่กลับไปยกย่องแท้จริงข้อนี้เป็นคุณของพระตถาคตที่บุคคลกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมะอันตถาคตแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดเป็นทางสิ้นทุกขโดยชอบแก่บุคคลผู้ทําตามนั่นแหะ นี่เป็นคุณอย่างหนึ่งนะว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยผู้สามารถปฏิบัติตามนั่นอ่ะพ้นทุกข์ได้จริงๆเพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมา20ิอสงไขยแสนกัปนะก็เพื่อที่จะสงเคราะห์สัตว์ให้พ้นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นสุนัขขตาเนี่ยที่จริงมุ่งจะด่าใช่ไหมกลับยกย่องโอคือยกย่องความเป็นธรรมดีของพระธรรมธรรมดีเหล่านั้นใครเป็นคนเปิดเผก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละ แต่คิดจะด่านะกลับชมดูก่อนสารีบุตรก็การที่สุนัตตะผู้เป็นโมคะบุรุษกล่าวสารเสิรญนี้จักไม่เป็นความรู้โดยธรรมในเราว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกบุุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมนะถึงสุนัขคตาลิชวีบุตรจะมาด่าจะมาว่าจะยังไงอ่ะคุณธรรมเหล่านั้นของพระผู้มีพระภาคก็ไม่เสียหายคุณธรรมของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสัพพัญยุตยานอิทธิวิธีตาทิพหูทิพเป็นต้นอย่างไงคุณธรรมเหล่านี้ก็ไม่มีในสุนัขคตะลิชวีอยู่แล้ว ถ้าคุณทำแต่ละอย่างเหล่านี้ไม่มีในตัวสุนขะะัขตาฤชวีเมื่อไม่มีข้าวก็หาเรื่องมุ่งที่จะโจมตีมุ่งที่จะทําลายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบรก็การที่สุนัขะตาผู้เป็นบุรุษเปล่ากล่าวสารเสริญนี้จากไม่เป็นความรู้ในธรรมในเราว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการหลายประการก็คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายไปก็ได้ทะลุฝาทะลุกําแพงภูเขาไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ําก็ได้เดินบนน้ําไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกคล้ำพระจันทรย์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้นะคุณธรรม คือสัพพัญยุตยานอิทธิวิธีก็มีในพระพุทธเจ้าแต่อิทธิวิธีเหล่านี้ไม่มีในสุนัขตาลิฉวีบุตรดูก่านสารีบุตรก็การที่สุนัขาตาผู้เป็นบุรุษเปล่ากล่าวสารเสริญนี้จักไม่เป็นความรู้โดยธรรมในเราว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทรงสดับเสียงสองชนิดคือเสียงเทปและเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพโสตะธาตุอันบริสุทธ์ล่วงโสตะของมนุษย์ดูก่อนสารีบุตรการที่สุนัขะตะผู้เป็นบุรุษเปล่ากล่าวสารเสริญนี้จากไม่เป็นความรู้โดยธรรมในเรา ว, ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นย่อมทรงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ จิตมีราคามีกี่ดวงจิตมีราคะมี8ดวงก็คือโลภะมูลจิต8จิตปราศจากราคะก็รู <memories> euh, ้ว่าจิตปราศจากราคะจิตปราศจากราคะได้แก่วิบากจิตและกุศลจิตกิริยาจิตนั่นแหละจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโทสะกี่ดวงสองดวงจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะก็คือ อพยากตะและกุศลจิตนะกุศลและอพยากตะชื่อว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะนะจิตมีโมหะมีกี่ดวงโมหะมูลจิตมีสองดวงแต่อคุศลจิตทุกดวงมีโมหะประกอบงนั้นโมหะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้งหมดนั่นแหละจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหู จิตหดหูก็คือจิตที่มีทีนามิทะประกอบมีกี่ดวงทีนะประกอบได้หดวงคือโลภะที่เป็น ส, สังขาริก4ดวงและโทสะที่เป็น ส, สังขาริกอีกหนึ่งดวงจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอุทจะเกื้ร่วมกับจิตได้กี่ดวงอุทัจะสัมปยุทธ์มีหนึ่งดวงแต่ตัวอุทัจะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้งหมด จิตเป็นมหาคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหาคตะมหคตะจิตทั้งหมดกี่ดวงนั่นแหละมหาคตะจิตยี่สิบเจดดวงนั่นแหละมหาคตะก็คือชาณจิตนั่นเองชาณาจิตนี่ไม่นับรวมโลกุตระนะมีอยู่ยี่สิบเจ็ดดวงจิตไม่เป็นมหาคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหคตาก็คือกามาวจรจิตทั้งหมดห้าิบสี่ดวงไม่เป็นมหคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่ากามาวจรจิตทั้งหมดเป็นจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอันนี้ก็ได้แก่ชาณจิตถือว่าเป็นจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอันนี้ทั้งหมดถ้าเป็นจิตตานุปัสสนามุ่งที่โลกียะจิตนั่นะถ้าเป็นจิตตานุปัสสนานะมุ่งที่โลกยะจิต แต่ถ้าอภิน ญ, ญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้รู้แม้กระทั่งโลกุตระจิตด้วยจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิที่เป็นอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิ <het 88> ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิมหากุศลบางอย่างเป็นอุปจาระสมาธิมหากุศลบางอย่างก็เป็นคณิกาสมาธิส่วนอกุศลทั้งหมดเป็นคณิกาสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นด้วยวิขัมพนะประหารกับแตทางค่าประหารนะถ้าพระผู้มีพระภาครู้ไปถึงสมุทเฉทประหารถ้าจิตตานุปัสสนาก็คือจิตที่หลุดพ้นด้วยตทางค่าประหารก็คือพวกชานจิตหรือแตทางฆ่าวิปัสสนานะวิขำพะนะก็คือชานจิตอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธินั่นเองหรือจิตไม่หลุดพ้นไม่หลุดพ้นด้วยแตทางค่าประหารและ วิค้ำธนประหารก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นอันนี้ก็เป็นปรจิตวิชาเป็นวิชาที่รู้วาระจิตของผู้อื่นนะ็ปเป็นหนึ่งในอภิญยาของพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนสารีบุตรตถาคตประกอบด้วยกำลังเหล่าใดย่อมปฏิยานฐานะแห่งผู้เป็นโจกย่อมบรรลือสีหนาคในบริษัท ยังพรมมาจับให้เป็นไปนะพระพุทธเจ้ามีกําลังขนาดไหนจึงกล้าปฏิญาณตนมากมายขนาดนี้กําลังของพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่ก็ได้ยินไหมเได้ยินนะทศพลยาณอ่ะพระทศพลอ่ะก็ได้ยินไหมไม่ใช่ทศพลนะทศพรลนี่หิมพานคนละเรื่องเลยคนละป่าเลยอ่ะแต่นี้ทศพลทศเนี่ยแปลว่าทศกันทศก็แปลว่าสิทธกันแปลว่ามือใช่ไหมแต่นี้หมายถึง พรศพลยานยานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าสิบอย่างด้วยกันเพราะกําลังเหล่านั้นของตถาคตสิบประการนี้แหละนะเพราะองค์มีกําลังสิบอย่างนี้แหละจึงปฏิญาณฐานนะผู้เป็นโจกคําว่าเป็นโจกนี้แปลว่าเป็นหัวหน้ากล้าที่จะเป็นผู้นําผู้นําในทางทางอะไรสัมมาทิฏฐิเป็นผู้นําในเรื่องของ พูดอีกสำนวนนึงว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอะเพื่อที่จะชักนําจิตวิญญาณที่เป็นมหากุศลเพื่อเป็นไปเพื่อโลกุตระกุศลพระองค์นี้ชักชวนนะแต่ชักชวนทางความคิดชักชวนทางมโนกรรมแล้วก็ถ้าผู้ที่มีมโนกรรมดีเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิกายกรรมก็จะดีะเมื่อกายกรรมดีวจีกรรมก็ดีนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ชักชวนทางจนถึงชักชวนให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละกล้าบลือศรีหนะ้า ถ้าหากว่าราชสีนะ่ะมันแต่งเสียงออกมาเนี่ยไม่ได้กลัวใครแม้แต่นิดเดียวเลยนะเรียกว่าคำรามกับช้างได้ยินช้างอย่างสะดุ้งนั่นแหละแล้วก็ประกาศพรมาจักคือประกาศธรรมาจักธรรมาจักก็คืออ่านะคำสอนที่เว้นจากส่วนสุดสองอย่างเป็นคําสอนที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติสายกลางที่เป็นไปเพื่อจักสุ ป, ปัญญาวิชาแสงสว่างความรู้ กํนะาลังสิบประการของตถาคตเป็นไนดูก่อนสารีบุตรตถาคตย่อมรู้ฐานะในโลกนี้โดยเป็นฐานะและรู้เหตุมิใช่ฐานะโดยเป็นเหตุมิใช่ฐานะตามความเป็นจริงดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ฐานะโดยเป็นฐานะรู้เหตุมิใช่ฐานะโดยเป็นเหตุมิใช่ฐานะตามความเป็นจริงนี้เป็นกาลังของตถาคตประการหนึ่ง ซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรลูศรีหนาตในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปอันอยานข้อที่หนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าฐานาฐานะยานยานที่รู้ว่าอะไรเป็นฐานะฐานะในที่นี้แปลว่าเหตุหรือปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยอะไรไม่เป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุอะไรไม่เป็นเหตุอันนี้พระองค์ทรงรู้ ทำไมเหตุกับปัจจัยจึงมีสับละสับจริงๆเนคำว่าเหตุเนี่ยมีหลายปัจจัยนะเช่นคำว่าเหตุปัจจัยสมุทัยนิทานปะภาวะหรือว่าฐานะด้วยก็ชื่อว่าเป็นชื่อของเหตุนั่นแหละเป็นชื่อของปัจจัยเช่นปัจจัยนิทานอะไรนะสมุทัยสมุทัยเจนผ่านปะภาวะแดนเกิดนะนียปภาวะเลยเจนพ่านทั้นคำว่าตรงนี้นะอย่างเช่นฐานะอาฐานะ วันก่อนกล่าวถึงพระโสดาบั น, นจะเข้าไปยึดถือสังขารโดยความเป็นของเที่ยงมีไหมไม่มีนั่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสแต่ลักษณะเมื่อคืนก็อ่านไปแล้วแต่จะยกข้อความในคัมภีร์วิพังค ป, ปกรณ์มาอ่านให้ฟังเช่นตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่าข้อที่กายทุจริตกายทุจริตมีกี่อย่างมีสามอย่างหนึ่งนหนึ่งฆ่าสัตว์สองรักทรัพย์สามประพฤติผิดในกาม ข้อที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่หน้าปราถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจนั้นน่ะไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะฐานะเนี่ยครับเจ อ, อ่านเจอบ่อยๆใช่ไหมไม่ใช่ฐานนะหมายว่ า, วาไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุไม่ใช่เป็นที่เกิดเจริญพร พระ อ, องค์ย่อมทรงทราบว่าข้อที่กายทุจริตพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าไข่ไม่น่าพอใจนั้นแหลเป็นฐานะที่หาได้เป็นฐานะที่มีได้ น, นะอกุศลวิบากอากุศลกรร ม, มชรูปเนี่ยนะก็มาจากกายทุจริตนั่นแหละไม่ได้มาจากกายสุจริตตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่าข้อที่วจีทุจริตและมโนทุจริต วัจีทูจริตมีกี่อย่างผู้เทศสองสอเสียดสอเสียดเป็นยังไงอ่าสอเสียดก็คือพูดให้เขาแตกแยกกันเหมือนกับสุนัขาตาลิชวีใช่ไหมไปสอเสียดพระพุทธเจ้าอะ่ะนี่คือลักษณะของสอเสียดโอ้ยสมณะโคโดมไม่มีคุณธรรมอย่างว่าหรอกนี่ลักษณะของสอเสียดอะ่ะต่อไปนะสามพุทสวัจาเคยด่ามไหมนั่นแหละก็บอกคําคพูดที่เหมือนกับเอาก้านบัวแหย่ไปในรูหูนั่นแหละเป็น พุทสวัจจายาบขายเออเอาไปให้มันหลับให้สบายอย่างเนี้ยแต่ว่าหัวกะโหลกมันตักน้ํากินไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยสอดพุทธสวาจานะหยาบขายมากคาพูดเราวนี้ก็บอกว่าคําพูดหยาบคายนี่ไม่ได้แปลว่าพูดไพเราะด่าแบบผู้ดีนะถ้าเป็นคําด่านะด้วยจิตที่หยาบจะใช้น้ําเสียงยังไงก็ชื่อว่าหยาบหมดแล้วต่อไปสุดท้ายเพอรเจอร์เนาะเป็นยังไงเพอรเจอร์ พูดเรื่องสามสิบสองเรื่องมีเรื่องถนนหนทางเป็นต้นอ่ะอนนะนะไม่พูดเป็นไปเกี่ยวกับปุสสนากุศลอะไรทักอย่างเลยอ่ะไม่เจริอพูดแล้วไม่ลงมรณานุสติกรรมฐ า, านแม้แต่ข้อเดียวลักษณะนั้นแหละเป็นเพอเจอร์นั่นแหละไหนไหน